มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวกักอัตตนิปาตนะปัญหาที่สามถามว่าห้าไม่ให้ทําตนให้ตกไปโดยอธรรมแล้ว mm. เหตุไรแนะนำให้ตัดความเกิดแก่เจ็บตายราชา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 มหาราชขอถวายพระพรบบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าท่านผู้มีศีลย่อมดับพิษแห่งกิเลสอคัะสโมเปรียบดังยาอันดับพิษไข้ถ้ามิฉนั้นโอสถะสโมเปรียบด้วยตัวยาวิเศษอันจะดับเสียซึ่งโรคคือกิเลสแห่งสัตว์ทั้งหลายถ้ามิฉะนั้นอุทกะสโมเปรียบดุดอุทธกังอันเย็นใส จะล้างลอยซึ่งระโชชละเหือใครเครื่องหมักหมมในกายกล่าวคือกิเลตนั้นมิฉนั้นมะนีรัตนะมาโนหระสโมเปรียบดุดแก้วมะนีมีนามชื่อว่ามาโนหระจินดาย่อมจะให้สำเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุกอันนาวาสโมมิฉนั้นเปรียบดุดหนึ่งสำเผาอันใหญ่จะข้ามให้พ้นจากโอคะทั้งสี่ ถ้ามิฉะนั้นสัทธวาหณะสโมเปรียบเหมือนเกวียนอันจะเข็นข้ามให้พ้นจากจัตุรักันดาลคือชาติชราพยาธิมรณะถ้ามิฉะนั้นวาตะสโมเปรียบดุลลมย่อมจะพัดกำจัดดับเสียซึ่งเพลิงทั้งสามคือราคขีโทสัขีโมหักขีถ้ามิฉะนั้นมหาเมฆอุติสโม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 บุตรภัญยาสามีมารดาบิดาคนาญาติมิตรสหายอันตายไปสู่บรารโลกนั้นย่อมประกอบด้วยทุกอันหนึง่งสมเด็จพระสัพพัญยูผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสพระสัธรรมเทศนาไว้โดยในเป็นอันมากยุติด้วยพระบาลีเป็นต้นว่าอัปปเยหิสัมปโยโคบุคคลเสพสมาคมด้วยชนอันเป็นศัตรู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 โลคพยสนังชิบหายด้วยโลคาพยาธิก็ประกอบด้วยทุกโคคพยสนังชิบหายจากเครื่องบริโภคคือของกินชิบหายจากเครื่องอุปโภคคือสมบัตินอกจากสิ่งของซึ่งกินได้นี้ก็ย่อมจะได้ทุกศีละพยสนังชิบหายจากศีลที่สมาทานนั้นก็ย่อมจะได้ทุกตรอมใจ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 อุทกะพะยังคือฆ่าขายด้วยสมเพานาวาแตกทลายบางทีทำไรท่ทำนาน้ำท่วมเสียให้ฉิบหายอุมมิพะยังัยแต่คลื่นละลอกซัดให้เรือแตกทลายและท่วมพัดนาวาบ้านช่องและเครื่องใช้สอยไปกุมพิพะยังภัยแต่จระเข้เหล่าร้ายอันจะขบกัดให้ถึงแก่ความตายอาวัตตะพะยัง ภัยให้ตายด้วยสายน้ำวนสุงสุมาระพยังภัยแต่ปลาฉนากฉลามมีเขี้ยวงาอันร้ายอตานุวัพยังภัยอันเนื่องมาเพราะตนกล่าวถ้อยคำอันมิได้เป็นที่พึงใจป า, านุวัฒพยังไพอันเนื่องมาแต่ผู้อื่นก็พลอยชิบหายด้วยกันทันฑัพยังภัยแต่อายาทุคติพยัง